เรื่องอตุละอุบาสกผู้มักโกรธพระสสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบโรกอุบาสกชื่ออตุละผู้มักโกรธความพิสดารว่าอุบาสกชาวสาวัตถีชื่ออตุละมีอุบาสกบริวารห้าร้อยวันหนึ่งเขาพาอุบาสกไปฟังธรรมในสำนักพระเรวตะเถระ พระเรวตัตตาท่านเป็นผู้สงบยินดีในที่หลีกเล้นท่านจึงนั่งนิ่งไม่กล่าวอะไรเขาโกรธแล้วไปยังสำนักของพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าท่านเรวตัตตาไม่กล่าวอะไรจึงโกรธและมาที่นี่ลำดับนั้นพระเทระจึงแสดงพระอภิธรรมอย่างมากมายแก่พวกเขาพวกเขาโกรธแล้วชื่อว่าอภิธรรมละเอียดยิ่งนักสุ ข, ขุมยิ่งนัก พระเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวเสมากมายพวกเราไม่ต้องการดังนี้แล้วไดบพากันไปยังสำนักของพระอานนท์ว่าฟังอภิธรรมมากมายโกรธแล้วจึงมาที่นี่พระอานนทเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยๆเข้าใจง่ายๆพวกเขาโกรธอีกว่าพูดน้อยเราไปยังสำนักพระศาสดาเพื่อต้องการฟังธรรม พระสัสดาทรงสดับความตั้งแต่ต้นตั้งแต่เข้าไปหาพระเรวตัตพระสาวรีบุตรแม้พระอานนท์ก็โกรธลวมาที่นี่จึงตรัสว่าอันวาชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยทีเดียวคนผู้อันเข้าติเตียนอย่างเดียวหรือพึงสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีแม้พระราชาบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรรเสริญ แผ่นดินใหญ่แม้พระอาทิตย์พระจันทร์ก็ดีอากาศสธาติก็ดีบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรนเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมในถ้ำกลางบริสัทธสอันว่าการนินทาและการสรนเสริญไม่มีประมาณในพวกอันพานดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าอตุละการนินทาและสรรเสริญนั่นเป็นของเก่า นั่นไม่ใช่เพื่อจะมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้างผู้พูดมากบ้างพูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือสันเซิญด้วยส่วนเดีย ว, ว, ย ว, ยวไม่มีแต่หากวินยูชนใคร้ครวนแล้วสรรเริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีล ใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดังทองแท่งชมพูนุชแม้เทพพยายดาก็สรรเสริญเขาถึงพรมก็สรรเสริญแล้วอธิบายคำว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายหมายความว่าเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสิกขาคือข้อศึกษาปฏิบัติอันได้กแก่ศีลสมาธิ ปัญญาอันไม่ขาดสายหรือความเป็นไปแห่งชีวิตไม่ขาดสายชื่อว่ามีปัญญาในการจบเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้งห0 0ร้อดำรงอยู่แล้วในโซดาปฏิผลดังนี้แหละทิ้งท้ายผู้ค้นพบสังเวชนียสถานสี่ตำบล นายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมแม่ทัพชาวอังกฤษผู้มีบทบาทและพระคุณแก่ชาวพุทธโลกอย่างใหญ่หลวงที่ได้บุรณะและขุดค้นพบซากวัตถุโบราณสมัยพุทธกาลมากมายรวมทั้งสังเวชนิยสถานสีตำบลคือสถานที่ประสูตรตรัสรู้แสดงปฐ ม, มเทศนาและปรินิพานได้ขุดพบเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2408ถึง2422 และปีพุทธศักราช2419ได้ปลูกต้นพระศีมหาโพต้นปัจจุบันไว้ในจุดเดิมขณะที่ต้นเก่าล้มลงตามธรรมชาติด้วยพายุท่านไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ก็เป็นผู้มีพระคุณต่อพุทธศาสนาอย่างมากปัจจุบันนี้มีผู้คนชาวพุทธไปจาริกสแสวงบุญกันมากทั้งอินเดียและเนปาลเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา จ่าริกไปมีจิตรเลื่อมใสและตายลงก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ข้อความจากมหาปรินิพานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบถ้าละเมิดมิจฉาทิฏฐิไม่ได้คือตราบใดที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เท่ากับติดกระดุมเม็ดแรกผิดเสียแล้วกระดุมเม็ดต่อไปก็ผิดหมด